ตอนเมื่อเชา้าอีกนิดหนึ่งนะเมื่อเชา้าพูดถึงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้วิบากแห่งกรรมกรร ม, มสมาฐานที่บุคคลประพฤติทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันคือพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้กรรมเนี่ยนะรู้การกระทำรู้สิ่งที่เรียกว่ากรรมรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นโดยหลักการก็มีอยู่ว่ากรรมในอดีต ให้ผลแล้วในอดีตกําลังให้ผลในปัจจุบันและก็จักให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันกําลังให้ผลในปัจจุบันและก็จักให้ผลต่อไปในอนาคตะนั้นกรรมในอนาคตที่จะทําต่อไปก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตแต่ก็มีบางอย่างที่กรรมในอดีตไม่ให้ผลเช่นดวงที่เจ็ ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสให้ผลเป็นอุปชะก็ไม่ได้ให้ผลตลอดไปนะดวงที่หนึ่งถ้าไม่ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมก็ไม่ได้ให้ผลตลอดไปเพราะกรรมที่ทําไปแล้วนะนะถ้าหากว่าได้ปัจจัยพร้อมคือได้กาลคติอุปธิประโยคะกรรมเหล่านี้ก็จะให้ผลพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้เลยว่ากรรมเหล่านี้ให้ผลเฉพาะในปัจจุบันหรือกรรมนี้ให้ผลเฉพาะใน ชาติที่หน้าอนาคตต่อไปหรือว่าให้ผลในอีกสามชาติต่อไปเป็นต้นขณะเดียวกันกรรมเหล่านั้นพระองค์รู้อีกว่ากรรมนี้จะพึงให้สเสวยวิบากในนรกหรือว่ากรรมนี้พึงสเสวยวิบากในเดรฉ า, าหรือว่ากรรมนี้จะให้ผลในเปรตหรือว่ากรรมนี้จะให้ผลในตอนที่เป็นอสุรกายกรรมนี้จะให้ผลตอนเป็นเทวดาหรือกรรมนี้จะให้ผลตอนเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยรู้ว่ากรรมเหล่านี้ที่จะให้จะสวยวิบากจะสวยเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยน ะ, ะคำถามคำตอบก็คื อ, อตอบของคำว่าที่ไหนเมื่อไร่แล้วก็อย่างไรคือกรรมที่ทําไปแล้วเนี่ยพระองค์รู้เลยว่ากรรมเหล่านี้จะให้ผลที่ไหนเมื่อไร่และให้ผลในทวารไหนให้ผลแค่ไหนระยะเวลาของการให้ผลเท่าไหร่ แล้วกรรมแต่ละอย่างเหล่าน at ี้จะต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบจึงจะให้ผลจะต้องอาศัยคติสมบัติไหมต้องอาศัยอุปธิสมบัติไหมจะต้องอาศัยกาลสมบัติไหมอาศัยประโยค่าสมบัติหรือไม่กรรมจึงจะให้ผลเพราะว่ากรรมบางอย่างอากุศลกรรมบางอย่างเมื่อคติวิบัติอากุศลเหล่านั้นจึงให้ผลได้ถ้าคติยังไม่วิบัติอากุศลก็ยังไม่ให้ผล อกุศลกรรมบางอย่างตอ่อเมื่ออุปธิอุปธิวิบัติจึงจะให้ผลถ้าอุปธิไม่วิบัติไม่ให้ผลคิดหนึ่งนะถ้าเราจะจะปวดทางผิวหนังทางร่างกายเป็นต้นนะถ้าร่างกายไม่วิบัติเนี่ยมันไม่ปวดหรอกมันตอ่อเมื่ออุปธิวิบัติคือร่างกายเสียหายด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วกรรมจึงจะให้ผลบางอย่างต่อเมื่อกาลวิบัติกรรมจึงจะให้ผลก็เกรียกรร ว, ว่าให้ตามการ บางอย่างอากุศลเหล่านั้นจะให้ผลได้ต่อเมื่อประโยควิบัติะั้นอากุศลเนี่ยจะให้ผลเนี่ยนะจะต้องอาศัยคติวิบัติอุปธิวิบัติการละวิบัติและประโยควิบัติโยนวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอากุศลก็ให้ผลขณะเดียวกันกุศลกรรมทั้งหลายเมื่อจะให้ผลต่อเมื่อได้คติสมบัติได้อุปธิสมบัติได้การละสมบัติและได้ประโยชคะที่สมบัติเนี่ยนะ คือหมายเขว่าถึงพร้อมด้วยคติบุญก็ให้ผลได้เต็มที่อุปธิดีบุญก็ให้ผลได้มากได้กาละที่เหมาะสมบุญก็ให้ผลได้เยอะแล้วก็ประโยชค่ดีบุญก็ให้ผลได้แล้วมันองค์ประกอบที่จะให้กรรมในอดีตให้ผลก็อยู่ที่คติในบรรดาคติหคติห้ า, หามีอะไรบ้างนารกเดรฉานเปรดมนุษย์เทวดาอันนี้คติหอุปธิละ่ะ นี่เมื่อเกิดก็สุดแท้แต่รูปร่างกายเนี่ยนะว่ากรรมที่มาตกแต่งร่างกายนี่เป็นอย่างไรอุปธิ์ดีไหมเช่นตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงลิ้นเป็นยังไงสรีระเป็นอย่างไรรูปร่างผิวพรรณเสียงนะมีกลิ่นตัวแค่ไหนอะไรเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของอุปธิถ้าอุปธิดีกรรมที่ดีก็ให้ผลได้แล้วกาละเกิดในยุคใดสมัยใดคนทําบุญมาดีแต่ไปเกิดในสมัยที่มันฝนแรงอะ มันยังไงมันก็มีพระเทระรูปหนึ่งปกติแล้วท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยลาบสการะมากแต่เกิดในยุคข้าวยากหมาแพงเออเกิดต้องข้าวยากเลยเนาะคือท่านเกิดในสมัยที่ฝนแรงอ่ะนะที่ศรีลังกานี่ฝนแรงมากมีอยู่ช่วงหนึ่งคือแรงถึงขนาดว่าคนเนี่ยจะต้องกินใบไม้กิน กินใบไม้กินอะไรที่ที่มันฟืดอัตคัดขัดสนเต็มทีพอเขาบอกว่าพอฝนดีประชาชนไม่เดือดร้อนแค่นั้นนะท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยลาบสการะพันถ้าหากว่าผิดยุคผิดสมัยครกวาการวิบัติอกุศลกรรมทั้งหลายก็ให้ผลกุศลก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลที่สำคัญก็คือประโยค้ด้วยเหมือนกันรประโยคะสมเหตุผลที่จะให วิบากเหล่านั้นให้ผลไหมประโยคะดีพอที่จะให้กุศลให้ผลหรือไม่พรนถ้าประโยคะการบริหารจัดการผิดพลาดบุญก็ไม่สามารถที่จะให้ผลได้เหมือนกันดันั้นประโยคะนั้นก็คือการบริหารจัดการนั่นเองถ้าบริหารจัดการได้ดีถูกต้องกุศ ล, ลกรรมทั้งหลายก็จะให้ผลได้ในข้อ62หน้า120ยยานที่พระองค์รู้ ความเศร้าหมองความผ่องแผ่และการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตินนคือพระ อ, องค์รู้เลยว่าอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองของฌานอะไรเป็นความผ่องแผวของฌานจะออกจากฌานได้อย่างไรวิโมกอะไรเป็นความเศร้าหมองของวิโมกอะไรเป็นความผ่องแผ่ของวิโมกและจะออกจากวิโมกได้อย่างไร อะไรเป็นความเศร้ามองของสมาธิอะไรเป็นความผ่องแพ้วของสมาธิและจะออกจากสมาธิได้อย่างไรสมาบัติก็ในยะเดียวกันคำว่าความเศร้ามองเนี่ยนะสังกิเลสสังกิเลสคือความเศร้ามองส่วนโวทานก็คือความหมดจดหรือความผ่องแพ้ววุฐานะการออกถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะกรรมมสมาทานทั้งหลายที่บุคคลประพฤต คนที่ประพฤติ ท, ทำกรรมได้ดีก็คือการทำกรรมเกี่ยวกับเรื่องฌานทั้งหลายในบรรดากรรมทั้งหลายเนี่ยนะเช่นนะพระพุทธเจ้ารู้กรรมมาสมาทานทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันในบรรดากรรมที่ควรให้ความสนใจก็คือกรรมที่เป็นไปกับฌานนะกรรมที่เป็นไปกับรูปฌานและอรูปฌานเาะนั้นบรรดากรรมมาสมาทานที่เรียกว่าฌานทั้งหลายวิโมก สมาธิหรือสมาบัติพระองค์รู้ว่าฌานทั้งหลายเนี่ยเศร้ามองเพราะเหตุไรและผ่องแผ่วเพราะเหตุไรเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์รู้ว่าฌานฌานวิโมกสมาธิสมาบัติจักเศร้ามองด้วยอาการอย่างนี้จักหมดจดด้วยอาการอย่างนี้และพระองค์จะออกจากฌานได้อย่างนี้หรือว่าการออกจากฌานมีได้อย่างนี้อันนี้เป็นอนาวรณญาณของพระพุทธเจ้า อนาวรณญยานแปลว่ายางที่ไม่มีอะไรไปไปปิดไปกั้นให้พระองค์ไม่รู้ไม่มีนะพระองค์ประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีเหมือนอย่างอย่างอะไรเหมือนอย่างผู้ที่มีตาดีมีมขามป้อมอยู่บนฝ่ามือลืมตาดูเมื่อไหร่ก็มองเห็นคำว่าชานเนี่ยนะชาเนี่ยมีสวิโมกมีอ วิโมกนี่มีสิก็ได้มี8ดก็ได้มี7มีสมมีสองก็ได้ส่วนสมาธิมีสมาธิสมก็มีอายกตัวอย่างว่าสมาชานชานสี่มีอะไรบ้างปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุทัชฌานนั่นหะหรือรูปฌานอรูปฌานเนี่ยนะอย่างปฐมฌานมีอะไรเป็นความเศร้าหมองปฐมฌานก็บอกว่ามีนิวรเป็นต้นเป็นความเศร้าหมอง และความผ่องแผ่ล่ะก็คือสัญญามนาสิการเป็นไปเพื่อรงรับวิตกวิจารณ์อันนี้เป็นความผ่องแผ่นั้นแล้วการเข้าฌานเป็นอย่างไรการตั้งอยู่ในฌานแค่ไหนการออกจากฌานได้อย่างไรใครชำนาญในการเข้าฌานใครชำนาญในการตั้งอยู่ในฌานใครชำนาญในการออกจากฌานแล้วก็พิจารณาองค์ฌานนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระองค์ทราบดีว่า ง, งั้นที่บอกว่าวิโมกวิโมกก็เช่นอะไรนะ วิโมกนี้มีวิโมก11วิโมก8วิโมก7วิโมก3วิโมก2ตามปริยายต่างๆอย่างเช่นวิโมก3ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คืออะไรสุญญตาวิโมกอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตตาวิโมกเป็นต้นส่วนสมาธิยกตัวอย่างว่าสมาธิมี3อย่างคือสมาธิที่มีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกวิตกและไม่มีทั้งวิจาร สมาธิที่มีมีวิตกมีวิจารก็คืออุปจาระสมาธิทั้งหลายสมาธิในปฐมฌานทั้งหลายก็มีวิตกวิจารส่วนสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่เพียงวิจารก็คือสมาธิในทุติยฌานปัญจกะในนะทุติยฌานปัญจกะในนั้นมีเฉพาะวิตกเออขออภัยมีเพียงวิจารแต่ก็ดับวิตกได้แล้ว ส่วนสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีทางวิจารณก็คือตติยะฌานจตุตฌานาที่เหลืออรูปฌ า, านทั้งหมดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ส่วนสมาบัติสมาบัติตรงนี้ยกมาห้าตัวอย่างว่า ส, ญญ า, ส า, าสัญญาสมาบัติอสัญญาสมาบัติเนวสัญญานาสัญญาสมาบัติวิภูตะสัญญาสมาบัตินิโรสมาบัตินี่นะ ก็สัญญาสมาบัติก็เช่นสมาบัติที่ยังเป็นเป็นมีสัญญาหมายถึงพวกรูปประชานทั้งหลายทั่วทวไปนั้นเป็นสมาบัติที่มีสัญญาอสัญญาสมาบัติเช่นนิโรธสมาบัตินี้ไม่มีสัญญาเนวะสัญญานาสัญญาสมาบัติก็ตรงตัวส่วนนิโรธสมาบัติก็คือการดับจิตและเจตสิกทั้งหลายนะนะส่วนคําว่าสังกิเลสเนี่ยนะสังกิเลสนี่เป็นฉไนะ สังกเกต ท, ที่จะทำให้ฌานเศร้าหมองนะก็คือการมราคะและพยาบาทเป็นความเศร้าหมองของปฐมฌานก็ผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะถ้าปล่อยให้การมราคะเป็นต้นเกิดหรือปล่อยให้การ ม, มวิตกเกิดฌานทั้งหลายก็เศร้าหมองแน่ไม่เศร้าหมองธรรมดานะเสื่อมเข้าไปเลยก็มีส่วนพยาบาทก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ลุอำนาจของความพยาบาทโลอำนาจของความโกรธ ฌานก็เสื่อมเหมือนกันสองฌานแรกคือปฐมฌานกับทุติยะฌานเป็นฌานที่ได้โดยไม่ยุ่งยากก็ดีหรือสมาธิที่เป็นส่วนแห่งความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนี้เป็นความอันนี้เป็นสังกิเลสคือบางคนเนี่ยได้ก็สักแต่ว่าได้จริงๆพร้อมที่จะเสื่อมเนีย่ยนะพร้อมที่จะเสื่อมเพราะว่าพวกฌานทั้งหลายเนีย่ยนะประเสริญยิ่งกว่าทรัพย์ในโลกนี้ทั้งหมดเนีย่ยนะประเสริญยิ่งกว่าอ่าอะไรนะ รับในกามาวจรทั้งหมดเนี่ยนะกามาวจรอย่างไรก็เปรียบเทียบกับรูปาวจรไม่ได้รูปาวจรนับตั้งแต่ปฐมฌานข <t IR ación> ึ้นไปประเสริฐยิ่งกว่าปฐมฌานเออประเสริฐยิ่งกว่ากามาวจรเมื่อประเสริฐกว่ากามาวจรอย่างนี้ไอ้ที่ได้ก็ถือว่ายากที่ได้แล้วรักษาก็ยากเนี่ยนะรักษาก็ยากเพราะว่าพร้อมที่จะเสื่อมคือหมายก็ว่าปฐมฌานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐหรือเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่ดีเนี่ยโดยมากบางทีถ้าหากว่าไม่มั่นคงจริงๆก็เปราะบางคือคืออย่างในยุคนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็พร้อมที่จ ะ, ะได้เหตุปัจจัยทำให้ชานเสื่อมส่วนโวทานคือความผ่องแผ้วเป็นไฉนะโวทานก็คือความหมดจดจากนิวรนเชื่อว่าโวทานของปฐมฌานเพราะว่าปฐมฌานนั้นคมคมอะไรคมนิวรนทั้งห้าได้ แต่ว่าจะขมดีหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าพิจารณาโทษของนิวรณ์ขนาดไหนถ้าพิจารณาโทษของนิวรณ์มากแล้วเข้าปฐมฌานปฐมฌานนั้นถือว่าพ่องแผ่วหมดจดได้ดีส่วนฌานที่สองกับฌานที่สาฌานที่ได้โดยไม่ยุ่งยากหรือสมาธิที่เป็นส่วนเบื้องสูงโดยพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ชื่อว่าโวทานหมายความว่าประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไป ส่วนวุฒานะวุฒานะก็คือการฉลาดจากการออกสมาบัติคือฉลาดที่จะออกจากสมาบัติ น, นั่นเองบางคนเนี่ยได้แต่ว่าออกยากอะไรนะถ้าสมาบัติเปรียบเหมือนการหลับบางคนเนี่ยหลับได้แต่ว่าตื่นยากระคายแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ดีกว่าหลับเป็ น, เ ป, นเปรียบเทียบกันไม่ติดบางคนเนี่ยได้แต่ว่าออกยากคือชำนาญไม่ชำนาญในการออกแต่ถ้าพูดคาว่าออกที่ไหนก็หมายถึงเข้าด้วยตั้งอยู่ด้วยนะ เรียก อ, อะไรนะวนสีมี5ใช่ไหมชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาและชําชำนาญในการนึกชานาญในการนึกเร hm ียกว่าว่สี่หาบางคนก็สักแต่ว่าได้ฌานจริงๆไม่มีความชำนาญในการเข้าเลยไม่มีชำนาญในการออกเลยไม่มีชำนาญในการดารงอยู่ในฌานและก็ไม่สนใจที่จะนึกถึงฌานนึกนึกนานกว่าจะนึกได้นไ คือคือนึกไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยออกอ่ะนะแปลว่าไม่ชนานาญในการนึกขณะเดียวกันบางท่านก็ไม่ชนานาญในการพิจารณาอง์ชานถ้าไม่ชานาญในการพิจารณาอง์ชานที่จะได้ชานสูงสูงขึ้นไปก็ถือว่ายากนี่ก็เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าในทศพลยานะนะกลังที่หที่พระองค์รู้ความเศร้ามองความฝ่องเพล่ การออกจากฌานวิโมกขสมาธิและสมาบัติทั้งหลายส่วนข้อ63อันนี้อธิบายอินรดียป ร, รปริยตญาณญาณที่พระองค์อย่างรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีของสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่ได้สมาธินเนี่ยนะได้สมาธิเนี่ยจะต้องมีอินทรีมีพร ะ, ะมีวิริยะเป็นเครื่องแวดล้อมสมาธิคือพระมหากจัจยากนี้อธิบาย ให้เห็นว่าทศพลยานสิประการนั้นอ่ะโดยอัฏฐะและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนัผู้ที่ได้สมาธิเนี่ยถามว่าตัวสมาธิมีอะไรเป็นเครื่องแวดล้อมบอกว่าอินทรีย์พละและวิริยะเป็นเครื่องแวดล้อมสมาธิอินทรีย์มีอะไรบ้างก็ศรัทธาสติและปัญญาพละ ล, ะละ่ะพละก็คือฮิริและโอตตะ ป, ปะวิริยะวิริยะก็คือสิ่งที่มีอุปการะมากต่อสมาธิ คนที่เจริญสมาธิเนี่ยถ้าขาดความเพียรในการกําจัดอกุศลวิตตกเป็นต้นขาดความเพียรที่จะเพิ่มพูนสมาธิเป็นต้นก็ถือว่ายากมันสมาธิเอ่ขอข้ไปวิริยะนี้ถือว่าเป็นเครื่องแวดลอ้อมสิ่งที่มีอุปการะต่อสมาธิแล้วต้องมีกําลังคือฮีรีกับโอตปะที่แรงกล้าขณะเดียวกันศรัทธาสติและปัญญาก็มั่นคงสมาธิจึงจะเป็นไปได้อินทรีย์เหล่านั้นนั่นเองเป็นพระด้วยอํานาจวิริยะ คือถ้าภาคเพียรภาคเพียรเจริญศรัทธาเจริญสติเจริญปัญญาให้ดีเยี่ยมศรัทธาสติและปัญญาก็ถึงความมีกําลังะนะส่วนอินทรีย์นั้นด้วยสภาพความเป็นใหญ่พะละด้วยสภาพความไม่หวั่นไหว อ, ะนะอินทรีย์นั้นแต่ละอย่างในสภาพที่เป็นใหญ่เช่นศรัทธาเนี่ยเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อหรือว่าเป็นใหญ่ในการทําให้ผองสใยแลว้วก็น้อมใจเชื่อ ความเพียร น, นั้นก็ถือว่าเป็นใหญ่ในการ อ, อุปถัมภ์ใช่ไหมอุปถัมภ์ให้ให้คำจุนให้กุศลได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสติก็เป็นใหญ่ในความไม่ประมาทในความไม่หลงลืมส่วนสมาธิก็เป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านปัญญานะเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งรู้ชัดถ้าพระละสภาพที่ไม่หวั่นไหวอย่างศรัทธาเนี่ยไม่หวั่นไหวในความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา วิริยะไม่หวั่นไหวในความเกียรคร้านสติไม่หวั่นไหวในความประมาทหรือความหลงลืมสติสมาธิก็ไม่หวั่นไหวในความฟุง้งซ่านปัญญาก็ไม่หวั่นไหวในอวิชชาอินทรีย์เหล่านั้นแบ่งเป็นสระดับระดับอ่อนปานกลางและระดับยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าบุคคล น, นี้มีอินทรีย์อ่อนบุคคล น, นี้มีอินทรีย์ปานกลางบุคคล น, นี้มีอินทรีย์แก่กล้า อนะอินทนระีย์คืออะไรบ้างตัวนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิและปัญญาอันนะสัตทินทรีย์วิรยยิยทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์และปัญญยทรีย์พระองค์รู้เลยไว้าศรัทธาคนนี้อ่อนมากความเพียรก็อ่อนสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนอนนะธาอย่างนี้ล่ะบางกลุ่มก็ปานกลางบางพวกก็ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาแก่กล้ามาก ในบุคคล3าประเภทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าด้วยโอวาทโดยสังเขปเรียกว่าแสดงธรรมพอยกหัวข้อเป็นตัวอย่างก็ตรัสรู้ได้เลยพวกนี้มีอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาดีอยู่แล้วความเพียรมั่นคงดีอยู่แล้วสติไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมอยู่แล้วสมาธิจิตก็ตั้งมั่นปัญญาก็รู้ทั่วรู้ชัดพระองค์แสดงแต่เพียงหัวข้อเขาก็ตรัสรู้ได้ ส่วนผู้ที่มีอินทรีย์ปานกลางพระพุทธเจ้าจะแสดงทั้งโดยสังเขปและโดยพิสดารสังเขปก็คือแสดงหัวข้อสังเขปคือหัวข้อพิสดารก็คือนิเทศคือการอธิบาย น, นะการอธิบายให้ให้รู้ชัดยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกที่มีอินทรีย์แก่กล้าพวกนี้แหละเรียกว่าอุคติตันยูพวกมีอินทรีย์ปานกลางนี่แหละเรียกว่าวิปัญจิตันยูผู้ที่มีอินทรีย์อ่อน อันน้เรว่านายะบุคคลผู้ที่เป็นนายะบุคคลจะต้องสอนโดยพิสดารพิสดารทั้งอุเทศนิเทศปฏินิเทศนะพิสดารแค่ไหนก็บอกว่าเรียนทั้งปิดกสามนั่นแหละก็คือไอไอพวกอินทรีย์อ่อนนี้ก็ต้องดูว่า อ, อ, อ่อนระดับไหนอีกเหมือนกันอ่อนอ่อนระดับไหนอ่ะนะก็อ่อนระดับก็ต้องเรียนทั้งปิดกสามหรือว่าอ่อนระดับไหนก็ดูเอาก็แล้วกันของเรานี้อ่อนหรือแข็งปานกลางหรือแก่กล้า เหลวเลยนะย้งบอกเหลวเลยหนักว่าอ่อนเยอะนะไม่แน่นะหลายท่านบอกไม่แน่ใช่ไม่แน่มันมีอยู่สองอย่างแนวโน้มจะเจริญขึ้นกับแนวโน้มจะเสื่อมเนี่ยนะฮะไม่แน่แบ่งออกสองกลุ่มนะในบุคคลสามประเภทนั้นน่ะนะบุคคลสามประเภทคือผู้ที่มีอินซีอ่อนอินซีปานกลางและอินซียิ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมเทศนาอย่างอ่อนแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพระองค์นิส่งแสดงพระธรรมเทศนาอย่างอ่อนและอย่างเฉียบแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาอย่างเฉียบแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนคือผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะการใช้คําเนื้อหาในการแสดงเนี่ยนะบุคคลเนี่ยเป็นเครื่องกําหนด ให้พระพุทธเจ้าแสดงถ้าคนดีอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเขาเป็นผู้ที่ดีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนแต่ความดีของเขายิ่งๆขึ้นไปถ้าเขาใกล้จะตรัสรู้แล้วก็สอนเฉพาะส่วนที่เขาจะตรัสรู้ให้เขาได้ตรัสรู้พันบุคคลเหล่านี้จึงตรัสรู้เร็วพันการใช้พุทธพจน์ทั้งหลายในพระไตรปิฎกเป็นการใช้ตามความเหมาะสมแห่งอินทรีย์ของผู้ฟัง น, น, นะผู้ฟังนี้เป็นตัวบอกให้พระอุปพระพุทธเจ้าแสดงอะไร คำว่าบอกเนี่ยไม่ใช่หมายคำว่าใช้คำบอกนะคือสภาพที่เป็นจริงของอสภาพอินทรีย์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นเครื่องกำหนดให้พระพุทธเจ้าแสดงอันเมื่อพระพุทธเจ้าสามารถตรวจสอบศรัทธาวิวริยสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายได้พระองค์จึงแสดงธรรมได้ถูกเหมาะสมกับจริตและอัธยาศัยเมื่อเขาฟังธรรมที่ถูกที่เหมาะที่ตรงกับจริตและอัธยาศัยก็เกิดการ ตรัสรูร้ทำหลายท่านก็บอกว่าถ้าเกิดทันนะพระ อ, องค์คงรู้อัธยาศัยเราเหมือนนพระองค์เกิดตอนนั้นเราก็เกิดทันพระ อ, องค์อยู่หรอกแต่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะนะพระองค์ตรวจดูแล้วว่าเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะพระ อ, องค์ตรวจดูแลว้วสมัยที่พระ อ, องค์มีพระชนอยู่พระ อ, องค์ก็เห็นไม่ใช่ไม่รู้จักเราพระ อ, องค์ก็รู้จักเรารู้ว่าเออเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะเอาไว้เรียนอีกกี่พันปีนะขังวังรุ่นก็รุ่นเออรุ่นเป็นพันปีนะไม่ใช่พันเดียวด้วยนะ 2,005 จะ 2,006 อยู่แล้วอย่างงี้นะห่างมากนะพระองค์ก็รู้ว่าเอออินซีนี่อ่อนขนาดนั้นห่างขนาดนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีผู้ใดตำหนิพระองค์ในการทําพุทธกิจเพราะว่าพระองค์ทําอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยบุญน้อยเกินไปที่จะจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะจะเกิดทันพระองค์ในแง่ที่จะได้ฟังพระพุทธพจน์ตรงๆจากพระองค์โดยที่มีสัพพัญยุตยานเป็น สมุทฐานมีอาสาธารรมนัยเป็นสมุทฐานหรือมีปฏิสัมพิทาสีเป็นสมุทฐานในการฟังธรรมในบุคคลสประเภทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงสมถะแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าทรงสแสดงสมถะและวิปัสสนาแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางสแสดงวิปัสสนาแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนพระอริยะรุ่นแรกๆโดยมากเนี่ยนะเป็นผู้ได้ฌานทั้งนั้นเลย ผู้ที่บรรลุเร็วๆสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโดยมากจะเป็นคนที่ได้ฌานมีอุปนิสัยแห่งฌานนั้พระองค์แสดงสมถะเขาก็จิตสงบจากบาปอากุศลก็ฟังอริยสัจก็บรรลุเลยคือหลักการตรัสรู้เนี่ยนะอย่างไรก็ต้องสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันจึงจะตรัสรู้ได้หมายคําว่าพวกอินทรีย์แก่กล้าพระองค์เน้นสมถะเขาก็ตรัสรู้ได้และถ้าพวกที่มีอินทรีย์ปานกลางเน้นทั้งสมถะและวิปัสสนา ถ้าผู้ที่มี C, อินทรีย์อ่อนนี้ก็เน้นวิปัสสนาเน้นให้เกิดการวิจัยใคร่ครวนจำเนกแจกแจง แ, แยกแยะอย่างละเอียดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงนิสสระแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าคือพวกอุคติตันยูเนพระองค์ก็แสดงอะไรนิสสระหมายถึงสัจจะอะไรมัคคสัจจะกับนิโรสัจจะเพราะนั้นพระองค์เน้นประกาศมัคคสัจจะกับนิโรสัจจะนี้ ผู้อินทรีแก่กล้าก็ฟังตรัสรู้ได้แล้วแสดงอาทีนวะนิสรณะแก่บุคคลผู้มีอินทรีปานกลางอาทีนวะก็คือประกาศโทษของทุกขสัจจะนิสรณะก็วิธีออกจากทุกขสัจจะแต่ถ้าพวกมีอินทรีอ่อนพระพุทธเจ้าจะแสดงทั้งอาศาัศธาอาทีนวะนิสรณะแก่ผู้ที่มีอินทรีอ่อนคือประกาศอริยรสัจสอย่างพิสดาร น, นะคิดง่ายๆว่า ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าฟังพุทธพจน์เนี่ยฟังไม่มากแล้วก็ฟังเน้นพิเศษคือมัคคสัจจะตับนิโรสัรจจะเขาก็บรรลุได้แล้วแต่บุคคลที่มีอินทรีย์ปานกลางเนี่ยจะต้องประกาศโทษของทุกขสัจจะแล้วจึงค่อยบอกวิธีออกจากทุกขสําหรับบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนนะจะต้องโอ้ยอะไรนะพันนาสวรรค์ให้เพลิดเพลินเจริญใจไปก่อนนะ เมื่อเพลิดเพลินเจริญใจแล้วค่อยประกาศโทษของวัตะแล้วค่อยแสดงอริยสัตว์ในตอนท้ายอันนี้พวกมีอินทรีย์อ่อนมากแต่ก็ผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าจริงๆริงนะโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าไม่มากนักะนะไม่มากถามว่าทําไมจึงไม่มากเพราะในโลกนี้สิ่งที่เกื้อกูลต่ออินทรีย์กับทําให้อินทรีย์เสียหายอัานไหนมากกว่ากันอย่างเช่นว่าสิ่งที่เกื้อกูลต่อศรัทธาหรือสิ่งที่จะไปมาช่วยลดศรัทธาไหนะจะมากกว่ากัน สิ่งที่จะทำให้เราลดศรัทธานในพระรัตนตรัยมีมากกว่าที่จะเพิ่มพูนสิ่งที่จะเพิ่มความเพียรหรือเพิ่มความเกียจคร้านในการเจริญกุศลมีมากกว่ากันนะสิ่งที่เพิ่มเพิ<ๆ>่มเพิ่มพูนที่จะให้เราเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องน้อยกว่าให้เราเจริญอกุศลใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราให้เกิดอกุศลวิตกเช่นเครียดได้ทั้งวันนี่ทำไม่ยากใช่ไหมแต่ให้กุศ ล, ลวิตกเกิดเมตตาได้ทั้งวัน อันนี้ยาก